ก่อนมุตนาสาธารณท่านสาธรชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ค่อนข้างพิเศษคือตรงกับวันวิสาข บ, บูชาถึงโอกาสที่จะมาเจอกันในลักษณะนี้ก็ค่อนข้างยากมือกันเพราะนันจึงน่าจะมาประรบเรื่องความสงคัญของวันวิสาข บ, บูชากัน วันวิสาขาบูชาเป็นวันที่ถูกกำหนดขึ้นให้กระตุน้นเตือนจิตใจของพุทธศาสนิกชนเพื่อพร้อมใจกันน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าและก็มีการสักการบูชากันทั้งโดยอามิตรและก็วัดการปฏิบัติธรรมะโดยส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่การปฏิบัติธรรมะเป็นหลัก อย่างได้ว่าทำไปทมาปรากฏว่ามันบูชาโดยอมิตรง่ายกว่าคนส่วนใหญ่จึงเน้นไปในส่วนของอมิตรไม่ได้มองไปถึงสาระที่แท้จริงของของการจัดงานขึ้นของการทำพิธีสักการะบูชาขึ้น วันวิสาข บ, บูชาเราประรบการประสูติการตรัสรู้การสเสด็จดับขันทัพปนิพานของพระพุทธเจ้าอันนี้จริงแล้วเป็นเรื่องเหตุผลทางประวัติศาสตร์การศึกษาพระพุทธศาสนานั้นเราจะมองอยู่สามแนวเหนือๆก็คือปัญหาข้อเท็จจริงในแง่ของประวัติศาสตร์คำว่าประวัติศาสตร์คำเดียวมันมีอะไรอยู่ตรงนั้นยะ มีเศรษฐกษิจมีสังคมมีการเมืองมีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและชีิความเชื่อถือต่างๆเป็นคำที่อมอะไรไว้เยอะเพราะตรงนี้ที่จึงเป็นเหตุผลทางประวัติศาสตร์มันคนละกาละคนละเทศะคนละเวลาคนละกลุ่มคนที่เา้าไปเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ตรงนี้ แตร่ระยะหลังหลายปีมานี้จะมีการพูดไปในตำนองว่าเป็นไปไม่ได้ที่ผู้เจ้าจะประสูตรสัจรุในวันเพ็ญเหมือนกันแล้วก็เอาเฉพาะวันที่สัจรุว่าเป็นวันประสูตรสัจรุนิพพานประสูตรก็คือการอุบัติโดยธรรมกายการสัจรูปเป็นพระพุทธเจ้าสัจรูก็คือสัสรูป นิพพานก็คือกิเลสคือดับกิเลสก็หมายความว่าสาเร็จที่ภายใต้ต้นโพ้นั่นเองก็มีการอธิบายแนวนี้อยู่แล้มีการเผยแพร่กันโดยจะเห็นว่ามันก็เป็นการละเลยข้อเท็จจริงในด้านประวัติศาสตร์โดยการตรงนั้นเพราะตอนที่จัดสรุปประชดมายุทั้งส5ี้าแล้วสาม35หปีนั้นอยู่ตรงไหนมาจากไหนมันต้องมีที่ไปที่มา อันตรงตรงนี้เราต้องจับประเด็นว่าเป็นเหตุผลทางประวัติศาสตร์แล้วก็นักปราชญ์ในรุ่นหลังโดยเฉพาะท่านที่มีความรอบรู้ในด้านโทรศาสตร์ในด้านดาราศาสตร์ก็มีการศึกษามีคำนวณกันก็ปเป็นอย่างนั้นจริงหรือปปรเปล่าว่เกิดลงตัวอย่างนั้นจริงหรือเปล่าก็ปรากฏว่าจริง จำนวณย้อนไปหลายพันปีนะครปรากฏว่าเป็นเรื่องจริงแต่ท่านก็บอกรายละเอียดผูกเป็นดวงไว้ทั้งหมดเลยก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างอัศจรรย์ระยะประสูตรกับสัตรูห่างกัน35ปีสัตรู้กับนิพานห่างกัน45ปีประสูตรกับนิพานห่างกันถึง80ปี แต่ก็มาลงตัวกันที่วัดวิสาขาบูชาโดยประเด็นเนื้อหาจริงๆตัววันวิสาขาบูชาก็เป็นจุดนัดหมายเท่านั้นเองเป็นการละที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อสะดวกแก่การจำส่งเพราะโดยสาระจริงๆมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นอยู่ที่ทรงการตั กฎทรงการประสูติทรงการจัดรู้ทรงการดเสด็จตับขันทัพนนผ่านวิสาขะายังไง ม, มันก็มีทุกปีเป็นเดือนหกมก็มีทุกปีปีละหนังครั้งพระโพธิสัตว์ท่านเรียกว่าเป็นสัตว์ที่มีกตาพินีหารโร ค, คือมีบุญญาธิการที่เก็บสะสมกระทำไว้เป็นอันมาก โดยสายการระบบหมุนเวียนในทางสารวัตรเพิ่มภูนบารมีธรรมขึ้นมาโดย ด, ดั่งดจนถึงจุดหนึ่งก็แสดงออกให้เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่าบุญญาธิการหมายความว่าเป็นพลังแห่งบุญที่เก็บสะสมมาไว้ก็แสดงให้ปรากฏ พราะถเราแบ่งเรื่องราวตรงนี้เอาไว้เราจะเห็นว่ามันสืบเรื่องตัวหลักจริงๆมันอยู่ที่บารมีบารมีที่ทรงเก็บสะสมอบรมเพิ่มพูนขึ้นมาโดยลำดับแล้วก็บารมีนั้นก็จะมีอยู่สองกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกท่านเรียกว่าบารมีหลัก เบอรนี้มีหลักมันมั น, มนก็คือพวกทานพวกศีลพวกภาวนานะฮะพวกศีลสมาธิปัญญาที่จริงเรียกชื่อต่างกันแต่โดยเนื้อหาแล้วจะเป็นเรื่องเดียวกันคือมุ่งขจัดพวกกิเลสประเภทโลกปดหลงซึ่งเป็นอกุศลนมูลคือสามตัวใหญ่อย่างอื่นจะนับไปทั้งพันห้าร้อยมันก็มันก็ไม่มีอะไรหรอกเป็นกิ่งของกิเลส3ามตัวท่านนั้น ปธรรมะที่จะประกอบจะแก้พวกบารมีตรงนี้เอาไปใช้พวกกิเลสตรงนี้ในเรื่องบารมีนั้นเรียกไม่ตรงกันกันกบเรื่องของศีล ส, สมาธิปัญญาทุกคำนะแต่ก็มีการตรงกันบางคำในบารมีหลักก็มีบารมีมีทานบารมีมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีมันมีเนคขมะไปขวางอยูท่ทคํานะึเป็นทานศีลปัญญา แล้วเล็กขมาเล็มาเป็นระดับที่สามทานนั้นโดยจะพบว่าโดยเนื้อหาจริ ง, รงๆเนี่ยทุกข้อเนี่ขจัดโลภะโทสะโมหะได้ทั้งหมดประการที่เรามีเจตนาให้ทานก็แสดงว่ามีปัญญาพิจารณาหินคุณของทานเนโทษของการแม้ทานตรงนี้ก็ขจัดโมหะพอให้ออกไปในส่วนที่เป็นวัตถุมันก็ขจัดโลภะขจัดมัจฉริยะคือความจริยในส่วนคนมันก็ขจัดโทสะ ก็เป็นการประสานใจกันหมายความว่าจะทำได้พวกโลภธาทุสามโมหะต้องจางไปจากใจแต่ไม่ไปติดอะไรอยู่สักหน่อยมันก็ทำไม่ได้อย่างที่เคยยกตัวอย่างจุเลกษาดกต้องการจะถวายภ้าโคมองตัวบูชาธรรมะที่พระเจ้าทรงเสดงคิดมาตั้งแต่หัวคำ่ำแต่คิดแล้วมันเกิดเสียดาย พอสองคนเพ่เมียวก็มีผ้าห่มอยู่พื้นเดียวแต่นั้นเองแลคืนถวายตัวเองก็หนาวแต่สินใจได้มันก็ตอนรุ่งสางแล้วเราต้องต่อสู้กับความคิดตัวเองมาตลอดในยามสามของราตรีนันก็แสดงว่ามันมีปัญหาชี่ตัวเองคือเป็นห่วงเป็นใยตัวเองเก็เหนาวกลัวพัญญาซึ่งใช้พระหมร่วมกันแต่ไม่เห็นด้วยแสดงว่าติดอยู่ที่ผ้า ไม่ได้มีปัญหาที่ตัวคนที่ตนจะถวายคือพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่มีปัญหาที่โมฆะคือปัญญาพิจารณาก็เห็นคุณของการให้ดีอยู่เพียงแต่ว่ามันขจัดตัวโลภะกับตัวมัจฉริยะยังไม่ค่อยหลุดต้องต่อสู้กันทั้งคืนในที่สุดก็ขจัดได้ทานบารมีนั้นจะมีการบมเพ็ญในลักษณะที่เข้มงวดที่ท่านแบ่งเป็นบารมีอยู่บารมีปรมัตบารมี ไปถึงจุดหนึ่งมันคนสามัญทำไม่ได้แต่คนระดับพระโพธิสัตท์ทำได้อาจะเห็นว่าทานบารมีก็คือการให้วัตถุทั้งหมไปแต่สำคัญอย่างยิ่งคือพื้นใจพื้นใจที่มีความเมตตากรุณาต่อคนซึ่งจะให้มีความเคารพนับถือศรัทธาต่อคนที่จะให้แล้วใจนั้น มากไปด้วยจากค่าเจตตาคือพร้อมที่จะให้เขาเรียกว่าจำนวนบาลีท่เรียวมีฝ่ามืออันชุ่มคือสมัยโบราณมันก็ตักบาตรทำบุญคล้ายๆกับภาคอีสานก็หยิบขเนียวก็ล้างมือก็หยิบขเนียวือฝ่ามือมันชุ่มอยู่ตลอดก็พร้อมจะหยิบข้าเนียดให้กัตลอดก็เรียกฝ่ามืออันชุ่มก็ใจมันพร้อมที่จะให้อยู่ตลอด เพปัญญาปัพิจารณาเห็นคุณค่าของการให้ที่จะมีผลติดตามตนไปส่วนสิ่งที่ไม่ได้ให้นั้นมันก็ตกอยู่เป็นสมบัติของโลกส่วนที่ให้แล้วก็ชื่อว่าเป็นการเก็บไว้ดีแล้วคือให้ไว้ดีแล้วเป็นฟังไว้จะเรียกว่าบุญญิชิตอราั้นทั้งก็ลดได้ทั้งโลภะโทสะมหะ แนวข้องศีลท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าศีลจริงๆถ้าเราเรียนระดับศีลสมบัติปัญญาศีลจะมุ่งเน้นที่โลภะแต่ศีลมันก็อยู่ที่ข้อไหนคือบางข้อมันก็เน้นโลภะบางข้อมันก็เน้นโทสะบางข้อมันก็เน้นโมหันตแต่รูปศีลเองมันก็ลดโลภะโทสะโมหัจนสามารถที่จะพัฒนาจิตให้ได้สมบัติทั้งสามระดับ ตามโครงสร้างไทยศีลที่พูดว่าสีเลนะสุกติยันติสีเลนะโพกสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติโภกะสมบัติก็คือมนุษย์สมบัติสุกติก็คือสวรรค์สมบัตินิพานก็คือนิพานสมบัติก็แสดงว่ามันลดได้ทั้งโลภะโทสะโมหะพอลดใงแนวลึกอย่างที่บอกว่าพอลดแนวแนวลึกมั ก, กินกินทั้งหมดคือใจมันก็มีเป็นธรรมะ เนคขมะเป็นเรื่องรอบตัวไเนคขมะแปวการออกจากกิเลสโดยเนื้อหาไม่ใช่โดยรูปแบบโดยโดยเนื้อหาจริงๆคือจะเป็นอะไรก็ตามอย่างนั้นสาธชนทั้งหลายมันก็เนคขมะได้ปัญหาสําคัญว่าใจออกจากกิเลสหรือไม่แต่นั้นเองาะนไ้่มีรูปแบบมันจะไม่จําเป็นจะต้องว่าปรงผมโกนหนวดต้องผมผ้ากาสายะจึงจะจึงเรื่องนคขมะที่จริงมันไม่ใช่อย่างนั้น ที่ในท่านกำหนดหมายรู้กันในหมู่นั้นว่าเป็นนักบวชในสายนั้นซึ่งจิตอาจาจะออกตะกิเลก็ได้ไม่ออกก็ได้ก็ไป่แน่เพราะเนื้อหาจริงๆเนี่ยมันอยู่จากใจออกจากกิเลสคุณลักษณะของความเป็นนักบวชหรือความเป็นเลขคธรมะก็คือว่าเป็นบูิเว้นบาปสะท้อนอยังไงสะท้อนออกมาเป็นผู้สงบบาปเพราะ ง, งั้นเราจึงมีคําเรียกที่เรียกว่าบันปชิตออกมาจากบรรปชานะฮะบันปชิตบันปชา พอบัญชามันก็กลายเป็นบนรญชิตบรญชิตเรียกผู้เว้นบาปการเว้นบาปแสดงอย่างไรสแสดงด้วยการไม่กล่าวร้ายไม่ทําลายการไม่กล่าวร้ายไม่กระทาลายสะท้อนอะไรสะท้อนใจที่สงบใจที่สงบทันทีกว่าสมณะสมณะก็คือใจที่สงบซึ่งกหมายความว่าใจอย่างนั้นมันก็เป็นได้ทุกใจคือปัญหาว่าใจใครก็ตามที่สงบกิเลสได้มันก็กลายเป็นใจสมณะขึ้นมาได้จะสร้างสมณะขึ้นภายในใจได้ ก็เป็นนักบวชโดยเนื้อหาจริงไม่เน้นที่รูปแบบแต่ว่าเน้นที่สภาวะทางจิตกับมาความมรรจิตที่ลดโลภาโทสะโมหะลงไปแล้วก็ปัญญานั้นก็เป็นสุดยอดของธรรมะนะฮะท่านจะเห็นว่ามาอยู่ตัวที่สี่เวลาเรียงบา ร, รมีมาอยู่ตัวที่สี่ทั้งๆ ท, ที่จริงๆแล้วก็เป็นตัวชี่มาของกุศลธรรมทั้งหลายมันแสงสว่างที่เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้เราเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง ปัญญานั้นขจัดตัวโมหะหรือขจัดอวิชชาเป็นหลักแล้วกิเลสทั้งหลายมันมาจากอาวิชชามาจากโมหะเพราะงั้นเมื่อขจัดตรงนี้ได้อย่างอื่นก็เลิกพูดเลยมันก็ไปกับมันหมดที่เรียกว่าถอนตัณหาพร้อมทั้งหมุนรากได้แล้วคือดับอวิชชาก็ถอนตัณหาพร้อมทั้งหมุนรากได้ทตนี้ก็เรียกว่าบารมีหลักเพราะงั้นเวลานํามาสอนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายท่านใหญ่บ้างก็สอนเรื่องนี้ สอนเรื่องทานศีลภาวนาสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาอยู่นี่เองไม่ได้สอนที่ไหนเลยอยู่ในแวดวงตรงนี้อยู่ตลอดส่วนบา ร, รมีเหล่าอื่นนั้นพวกสัจจะพวกอธิษฐานพวกขันติพวกเมตตาพวกอุเบกขาพวกสัจจะเนี่ยเขาเรียกว่าอุปการะบา ร, รมีหมาความยังไงหมายความเราจะให้จะให้ทานสมมติจะให้ทานเราต้องมีสัจจะ เราต้องมีอธิษฐานเราต้องมีเมตตาเราต้องมีขันติเราต้องมีอุเบกขามันมันมั น, ม, นมันต้องมีตลอดพวกนี้ก็ต้องมีอยู่ตลอดเป็นอุปการะถือใช้ตลอดกใกล้ยๆเราจะเดินอะไรจะทําอะไรอะไรก็ตามนะฮะเราก็ต้องมีตาเลยมีตาดูไว้ตลอดแล้วก็ส่วนต่างๆมันก็เคลื่อนไหวไปตามไปตามตามการเคลื่อนไหวของเราแปลว่าทุกส่วนนั้นจะเคลื่อนไหวในขณะเดียวกัน บารมีเหล่านี้ก็ส่งบำเพ็ญในลักษณะที่ผ่านการพิสูจน์ทดสอบมาโดยลําดับแล้วก็มีแล ม, มีแนวที่เรียกว่าเป็นปรมามัตถบารมีมาถึงจุดที่เป็นปรมามัตถบารมีจะในกรณีของทานเนี่ยส่งให้ได้ทุกอย่างก็ถือว่าเป็นอุปการะไปเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นบารมีธรรมดาแล้วก็ให้ในระดับที่เรียกว่าเสียสละอวัยวะ เพืช่วยเหลือคือกูล์ก็บบุคคลอื่นจัดเป็นฐานะอุปบายมีซึ่งคนทําได้น้อยลงและบางจุดเนี่ยสงสละแม้แต่ชีวิตโดยทรงมองเห็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการให้บริจาคบุตรชิดาบริจาคพัญญาบริจาคทรัพย์สินบริจาคราษฎรบัติบริจาคหมดเลยไม่ได้ตัวเองก็ทําได้เพราะฉนั้นพอถึงจุดนี้ท่านจะเห็นว่าบางค่อนข้างทวนกระแสะโลก การกระทําของพระเจ้านั้นค่อนข้างทูดกระแสโลกในความรู้สึกของชาวโลกแล้วถ้าเรามองย้อนไปในสมัยรักบาลจงบนปอนะฮะก็จะด่าพระเวสสันดรกันไหมคือหาว่าที่จริงที่จริงถ้าเรามองดูเป็นเกมการเมืองคือไม่กล้าด่าจงบนปอจะไปด่าพระเวสสันดนรเวสสันดรกระทบจ้าบนปอ หาว่าเอาพระคลังข้างที่เอาเงินพระครังข้างที่ไปบริจาคอะไรเนี่ยนะฮะไปบริจาคช่วยเหลือรัษน์ไอ้ น, นี้ก็เป็นการมองจากพื้นฐานของคนที่มีกิเลสนะฮะมีกิเลสอย่าปราบ น, านา้าก็มองอย่างนั้นแต่ว่าคนซึ่งจะทำงานใหญ่ได้นั้นจะต้องไม่เกี่ยวเกาะด้วยอะไรทั้งหมดหมายความต้องสลัดพันธนาการผูกมัดรัดรึงทั้งหลาย ดีเพื่อตัวเองเพื่อพลุกพ้องตัวเองออกไปได้แต่ไม่อย่างนั้นมันก็ทําอะไรไม่ได้การมาเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านั้นถือว่าเป็นเอ ก, กบุคคลซึ่งไม่จะเกิดขึ้นโดยง่ายเพราะเป็นเงื่อนไขของบารมีทางกาลแล้วแล้วบารมีตรงนี้ถ้าไม่หนักแน่นมั่นคงจริงมันก็เสื่อมได้นะครับพวกบารมีค่อนข้างจะเสื่อมง่ายกว่าพวกอาสวะหมายความว่าความดีเนี่ย มันมองแค่การก่อสร้างอาคารโดยเฉพาสร้างอาคารถ้าเวลาเยอะนะะแต่จะพังอาคารในแป๊บเดียวก็พังได้แล้วตะวันในวางระเบิดป๊งเดียวก็พังได้แล้วก็สร้างเป็นสีหปีพวกนี้พังทีเดียวเสร็จแล้วดังนั้นการการทําลายความดีทําได้ง่ายมันมันมันแค่เป็นธรรมชาตินะฮะมันก็สะน้ําสะอาดสะอาดในเพื่อนเอาหมาเน่าตัวเดียวระโยนก็แย่แล้วน้ําตั้งน้ำในเพื่อนก็ไม่กล้ากินแล้วนะฮะอันนี้ก็คือก็คือก็คือภาพเสียเรียนในชัดว่า บารมีมันจะเหมือนกับผ้าขาวคือไปเจอจุดดํำก็หน่อยเดียวทําทําให้ข้ามันเสื่มแต่ว่าพวกอาสวะนี่จริงจริงมันละได้ยากนะฮะมันละได้ยากพวกกิเลสพวกความชั่วทั้งหลายนี่ละได้ยากสมัครคนสมัครคนชั่วนะฮะแต่สมัครคนดีถ้าไม่ดีจริงๆก็ละยากเหมือนกันนี่ก็ก็เป็นเป็นข้อที่น่าสังเกตว่าการบําเพ็ญความดียกตัวอย่างเดี๋ยวนั่งสมาธิอะไร สมาธิบางทีมันไปนิ่งไปถึงอัปปนาเนะี่ยเพื่อนดึงกระดาษกรอบแรบมันโครมเดียวเลยแตกเลยสมาธิแตกเล ย, รเลยหรือเพื่อนคุยนิดเดียวนะสมาธิเราแตกเลย แ, แสดงว่าเวลาทําให้เกิดขึ้นนั้นยากแต่เวลาถูกทําลายนี่ง่ายถูกทําลายนี่ง่ายเพราะว่าอะนมันมั น, ม น, มนเราอยู่ในภูมิภูมิจิตเราเป็นกามาพิจร ภูมจิตที่ไหลไปตามกระแสของกิเลสแต่การวัตธรรมะมัการทวนกระแสกิเลสแล้วเราอยู่ท่ามกลางกิเลสเราไปทวนกระแสมันทวนมันเราก็ต้องแข็งแรงนะฮะต้องเข้มแข็งมั่นคงเพราะฉะั้นแนวบารมีจึงเป็นการแนวเสริมจิตที่มั่นคงแต่ถ้าไม่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยท่านบงก็เสริมได้อย่างที่ในสมัยพุทธกาลก็มีคนเยอะที่ที่บารมีเส่อมไปสูญเสียโอกาส ส่นเสียอากาศที่จะเสริมสร้างบา ร, รมีบางทีที่สร้างบา ร, รมีมาขนาด จ, จะบรรลุมรรคผลเป็นพระนาคานะครับแต่คนมีบา ร, รมีจะถึงอรหัตผลเนี่ยไม่เสื่อมนะฮะเขาเรียกว่าปชิมะพวิกษัตร์พวกนี้ใครทํำยังไงก็ตามไม่เสื่อมแม้ท่านจะตายวันนั้นเนี่ยท่านต้องบรรลุมรรคผลเป็นพระหัน์ไปก่อนจึงจะตายก็เรียกว่าพระหันประเภทหนึ่งเรียกว่าชีวิตตสมักสี หมายความกิเลสดับกับชีวิตดับต่อกันเลยกิเลสดับปั๊บชีวิตก็ปุ๊บเลยไปเลยไม่ได้เรื่องอะไรนะฮะหมายความว่าสังคมไม่ได้ใดจากท่านท่านได้กันท่านคนเดียวพอท่านบรรลุมาผลเสร็จท่านก็นิพพานเลยเป็นชีวิตะสมะสีสีเพราะงั้นเราไม่เจอประวัติพระอรหันต์เหล่านี้ใช่ไหมเพราะเพราะท่านท่านไม่มีผลงานอะไรมีผลงานอะไรพอท่านบรรลุปั๊บท่านก็นิพพานปุ๊บเลย แต่นี้ก็แสดงเห็นว่าบา ร, รมีนั้นจะคุ้มครองคนถึงจุดหนึ่งเนี่ยใครจะทำลายไม่ได้ใครจะทำลายบา ร, รมีตรงนี้ให้เสื่อมไม่ได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ลงตัวแล้วสะสมบบชลงมาเต็มชีวเรียกบา ร, รมีเต็มแต่ถ้าบา ร, รมีสร้างมาระดับบรรลุพักผลจากพระอนาคามีลงมาเนี่ยไม่แน่หรอกนะไม่แน่เราเสื่อมได้ทั้งหมดเลยแต่ยิ่งเป็นภูฏยิ่งเสื่อมใหญ่เลยนะยิ่งเสื่อมใหญ่เลย ก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าการเสริมสร้างบา ร, รมีของพระโพธิสัตว์เนี่ยถูกสร้างมาโดยลําดับจนถึงจุดหนึ่งมันก็สอนเราเห็นในระยะว่าก่อนที่จะเสด็จอุบัติในโลกเนี่ยพระองค์ทรงเลือกทรงเลือกสกุลเลือกโลกนะฮะเลือกโลกเลือกสกุลเลือกคันมารดาเลือกเลือกอะไรต่เอเเลือกเองได้หมดเลย นันก็คือลักษณะของบุญญาธิการที่เคยอุปมาว่าเหมือนกับคนมีความรู้มากๆมีเงินมากๆนะฮะ ม, มีเงินมากๆอจะพักที่ไหนจะกินอะไรจะไปที่ไหนมันก็ทําได้ตามสบายพักที่กระจกกระจกอะไรก็ได้นะฮะพักที่หรูหร้ายยังไงก็ได้เพราะก็มีเงินแล้วความมาเลือกได้ก็กลายเป็นเป็นหลักอะไรว่าจริงๆแล้วคนเลือกเกิดได้หรือหลักจริงๆแล้วคนเลือกเกิดได้เพียงแต่ว่าไม่ได้เลือกเองแต่นั่นเอง คือไม่ได้เตรียมต้นทุนเอาไว้มากพอที่ที่เราจะเลือกแล้วการเลือกตรงนี้ถ้าเรามองไปอีกชีนหนึ่งอย่างที่เคยเล่าเรื่องธรรมิกาอุบาสกธรรมิกาอุบาสกที่จริงตอนนั้นท่านก็เป็นเป็นประโสดาบันนั้นนั้นเองนะครับแล้วก่อนจะตายนั้นมันเกิดเป็นบุพนิมิตเป็นคตินิมิตนะฮะเป็นกรรมนิมิตเป็นคตินิมิตให้เห็นเป็นเทวดาจากสวรรค์หกชั้นมาเชิญไปอุบัติ แล้วผลท้ายเมื่อตกลงใจเลือกก็ลูกหลานใช้เลือกให้ว่าจะไปไหนดีท่านบอกว่าลูกหลานบอกไปดูสิทธ์ดีกว่าพ่อไปดูสิทธ์ดีกว่าสบายดีฮะเพื่อนนี้ก็ไปดูสิทธิ์ก็ก็หมายความหกชั้นนี่ท่านจะไปได้ทั้งหมดเพราะบุญมันมากบุญมากก็ดูสิทธิ์ที่จริงเป็นชั้นที่สามชั้นที่เอ่อชั้นที่สี่นะชั้นที่สี่ดูสิทธิ์เป็นสวรรค์ชั้นที่สี่ ท่านจะไปนิมมานีเป็นปรานิมิตวตสวัสดีก็ได้แต่ท่านไม่ยอมไปท่านมาอยู่ตรงนี้หรือตัวตัวอย่างพระเจ้าพิมพิสารที่ท่านตายไปเกิดเป็นชนะวสภายักษ์นะหมากฟ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้ารับสั่งถามเอ้าวทำไมไปเกิดตัวนั้นไมท่านบอกมีคนคุ้นๆอยู่เยอะอชาติก่อนท่านเคยเกิดที่จาตมาราชแล้วก็มีเพื่อนฝูงอย่างไมจุตินี่เยอะ เลยท่านก็ขอไปเกิดตรงนั้นเมะความจริงๆท่านจะเลือกตรงไหนก็ได้ในสวรรค์หกชั้นท่านจะเกิดตรงไหนก็ได้เพียงแต่ว่าท่านขอเลือกกอสวรรค์ชั้นต่าสุดเหตุผลก็ท่านก็คือมีคนคุ้นเคยอยู่มากกั่แน่นอนนั่นก็คือแสดงแสดงกลับมาที่หลักใหญ่ว่าจริงๆแล้วคนเราเลือกเกิดได้และเราก็เลือกเป็นได้นะเลือกทําได้เลือกเป็นได้เลือกเกิดได้เพียงแต่ว่าเรามีกําลังพอต่อการเลือกหรือไม่ เพรจริงๆแล้วเงื่อนไขในการดารงชีวิตหรืเงื่อนไขในการตัดสินใจมันมันมันมันมีเงื่อนไขยอยู่เยอะนะฮะเนื้อถ้าเราไม่แกรงจริงๆเราไม่แกรงจริงๆแล้วเนี่ยก่อนจะตายนั้นจิตมันมันอ่อนมันอ่อนกรมนิมิตเกิดมาในทางที่ไม่ดีใจกระหวัดสะดุ้งก็กลายเป็นคตินิมิตที่ไม่ดีเราคุมใจไม่อยู่มันก็นไปเหมือนกันนี่ยนะก็แสดงว่าแสดงว่าบารมีเราไม่มากพอ ถ้าบารมีเราน้อยเราก็เลือกไม่ได้แล้วแม้แต่เลือกทำเลือกเป็นในชาติปัจจุบันถ้าบารมีเราไม่พอเราก็เลือกทำไม่ได้เลือกเป็นไม่ได้มันจะไหลไปตามกระแสกระแสอารมณ์กระแสะแ ส, สังคมนะแล้วก็เงื่อนไขปัจจัยต่างๆบุคคลที่เกี่ยวข้องสภาพแวดล้อมวุฒิภาวะทางการศึกษาการตัดสินปัญหาต่างๆมันมันเงื่อนไขมันแยอะชีวิตของคนเราจริงๆเราพูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งคงไม่ได้นะ ว่าเงื่อนไขมันมากตรงนี้จะทําให้ท่านท่านบังเกิดในตระกูลที่ดีก็ก็อะไรก็คือบุญนะบุญเป็นตัวจําแนกแบ่งแยกที่ทรงตรงนี้ท่านชาว่ากรรมเป็นตัวจําแนกแบ่งแยกให้บังเกิดในตระกูลอย่างนั้นมีรูปร่างอย่างนั้นมันจําแนกทั้งหมดจาแนกตั้งแต่รูปร่างจําแนกตั้งแต่ตระกูลจําแนกตั้งแต่ พื้นฐานด้านต่างๆทั้งหมดคือจำแนกมาไว้ก็เป็นเรื่องของบา ร, รมีธรรมที่เคยเล่ามาในอัจฉริยะอภูรธรรมสูตรนะฮะว่าก่อนที่จะอุบัติมาเป็นเจ้าชายจิตถะแล้วก็ต่อมาเป็นพระพุทธเจ้าได้ในี้จึงมีคุณสมบัติเด่นเป็นพิเศษเหนือคนอื่นถึง19ประเภทด้วยกันเป็นลักษณะของอัจฉริยะบุคคลนะฮะเป็นบุคคลพิเศษเป็นบุคคลเอก ซึ่งนานๆโลกจะมีบุคคลประเภทนี้สักครั้งหนึ่งเพราะงั้นการเกิดของท่านนั้นจึงเกิดเพื่อประโยชน์คือกูลแก่มาชนอย่างที่ท่านแสดงว่าเอกบุคคลไม่ใช่เอกบุคคลนะเอาขนาดบุรุษอาชาันเนี่ยฮะบุรุษ ร, ระดับอาชาในสตรีอาชานัยบุรุษอาชาัยก็ตามจริงก็เรียกอาชาัยบุรุษจริงเป็นคำ ก, กลางๆนะฮะเขาไม่ได้เรียกจเจาะจงผู้หญิงผู้ชายถ้าผู้ชายก็ จะบอกตรงๆไปเลยแต่ถ้าพูดภาพรวมๆอย่างนี้ก็จะก็จะไม่ได้เจาะจงมาเป็นผู้หญิงผู้ชายว่าระดับระดับอาชาในนี่จะไม่เกิดในที่ทั่วไปแต่ในตระกูลใดประเทศใดเมืองใดก็าตามที่บุรุษระดับนี้บังเกิดขึ้นเนี่ยประเทศชาติประชาชนสกุลวงศ์จะได้ประโยชน์จากคนประเภทนี้มหาศาลมาเกิดมาเพื่อสร้างสรรค์ แต่วรจ้าจนั้นไม่ใช่อาชานัยธรรมดามันเป็นอาชานัยเป็นเอกอาชาในในความว่าเป็นเอกกับบุคคลเป็นเอกกับบุรุษเป็นบุคคลเดียวที่ที่ ท, ที่ที่เกิดขึ้นในโลกการเกิดของท่านเหล่านี้ท่านบอกว่าเอกกับบุคคลเมื่อจะเกิดขึ้นในโลกเนี่ยย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นมากเพื่อเป็นการอนุเคราะห์ต่อชาวโลก รูปประโยชน์รือกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเอกบุคคลนั้นคือพระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและเอกบุคคลอีกประเภทหนึ่งก็คือพระเจาา้าจักรพรรดิเราจะเห็นว่าพระโพธิสัตว์จึงมีคติเป็นสองแมความว่าไปทางไหนก็เป็นเอกบุคคลทําไมละ่ะเพราะบา ร, รมีท่านเต็มท่านสร้างบา ร, รมีมาเพื่อความเป็นเอกบุคคล ก็เป็ น, เ ป, นเป็นการแสดงให้เห็นถึงหลักการทางพุชาศาสนานั้นเป็นศาสนาของความเพียรพยายามที่ผลทั้งปวงนั้นสามารถจะเกิดขึ้นแก่ใครก็ได้ถ้าหากว่าบุคคลผู้นั้นได้ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่ท่านแสดงเอาไว้ศาสนาพูดจึงเป็นศาสนาระบบคุณธรรมที่แต่ละคนรับผิดชอบในตัวเองเป็นหลักไว้ก่อนนะนะฮะเป็นหลักไว้ก่อนแต่ที่ยุ่งยุ่งที่เราค่อนข้างสับสนคือเราไม่ชอบวุ่นวายกับคนอื่น คนนั้นดีคนนั้นไม่ดีคนนั้นควรเป็นอย่างนั้นคนนี้ควรเป็นอย่างนี้คนนน้นควรเป็ น, น, น, น, นไม่นึกว่าเราควรจะทาอะไรไม่นึกว่าเราควรจะทำอะไรอย่างมีสมาคมพุทธแห่งหนึ่งได้มีชื่อเสียงมากเนี่ยเขาไม่นิมนต์มาหลายปีละมาไปเสกที่ลบบุรีทีอีกที่สระเอี่ที่สิงบุรีทีหนึ่ง ประชุมกี่ปีกี่ปีเราไปนั่งฟังทุกปีแล้วเขานั่งด่าพระอย่างนั้นแน่ไม่ได้ทำอะไรเลยทุกคนเนี่ขึ้นมาดา่าพระพระจะต้องทำอย่งงางนั้นอย่งงางนั้นอย่างงาั้นอย่งงางนั้นบอไม่ใช่ประเด็นเราพระต้องถามพระกันเองคุณถามคุณคุณจะทําอะไรทําไมจะถามในคนอื่นเนาะามคนอื่นเนี่ยเขาทําไม่ได้แต่ถามเรานีนเราทําได้ต้องถามเราว่าเราจะทําอะไรเราจะเป็นอะไรเราจะอยู่ยังไงแล้วยุ่งแต่ถามคนอื่นเพราะว่าท่านไม่ต้องทํา ตั้งสมาโคกขึ้นมาทีหนึ่งเพื่อจะสั่งคนอื่นเท่านั้นเองเวทชายคนอื่นทํางงอย่างนั้นอย่างนี้เราต้องทำอย่างไงเพราะฉะนั้นหลักการตรงนี้เราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านไม่ได้มองที่คนอื่นจะมองที่พัฒนาพระงขึ้นไปก่อนคนอื่นนั้นถ้าเขาพัฒนาขึ้นไปได้นะก็ก็เป็นความดีของเขาแต่ว่าคนนี้พัฒนาไม่ไดพระองค์ก็ชื่อบอกให้เป็นเจตจำนงเป็นเกิดขึ้นด้วยมหากรุณา พ้นพื้นฐานตรงนี้เป็นลักษณะอย่างหนึง่งคือว่าคนที่มีบา ร, รมีนั้นจะมองโลกด้วยความการุณานะเป็นพื้นฐานลักษณะมหาบุรุษก็มีคือมีพื้นจิตมองโลกด้วยภาพเตี่ยคือภาพการุณานจะิตตรงนี้ค่อนข้างสากลมาตั้งแต่ต้นนะี่ยนะฮะตั้งแต่เป็นพระราชกุมารมาแล้วไม่ใช่ว่าเอาตอนท่านเป็นอระพุทธเจ้าตอนเป็นพระเจ้าสุดยอดไปแล้วนะมันก็พิเศษไปแต่จริงๆแล้วเป็นตัวบา ร, รมีนั้นได้สร้างลักษณะนิสัย ให้เป็นเป็นเอกบุคคลที่มองไม่มีความเป็นเราเป็นเขาจึงถือว่าเด่นมากท่านเกิดในท่ามกลางยุคสมัยของการถือวันณะที่รุนแรงนะถือพวกถือชั้นถือเราการรุนแรงและท่านเองก็เป็นสุริยโคดนะฮะสุริยวง์โคตมาโคดนะโคตมาโคดก็คือวงของพระอาทิตย์วงพระจันทนะฮะจันตะวง์กับสุริวงราชวงใหญ่ก็มีอยู่สองวง ท่านเป็นสุรีวงกถือวงใหญ่ที่สุดแต่ว่าจริงๆแล้วท่านก็มองคนเป็นสากลมองเป็นสากลมาตั้งแต่เป็นเด็กตั้งเป็นราชกุมาหนุน่มๆไม่ใช่ว่าเพิ่งมองมาตอนเป็นพระพุทธเจ้านั้นแสดงว่าเป็นอิทธิพลของบารมีบารมีที่สร้างสม บ, บุมบูุณ์มาแล้วก็สร้างสร้างท่านขึ้นมาในลักษณะนี้ว่ากลายเป็นเป็นบุคคลพิเศษ โดยพื้นมาดังดังเดินได้จริงมันไม่ใช่นิ่งๆเป็นนะนะมันมันมีเบื้องหลังของมันไม่ใช่รูปการหล่นบรรดาศังดิ์และการการเกิดของท่านถือว่าเป็นมงคลแก่โลกที่โลกมีคนอย่างนี้ซึ่งท่านเนรูทานชายกล่าวว่าเป็นอภิชาตบุตรของอินเดียและเขาถือว่าเป็นอภิชาตบุตรของโลกนะเพราะว่ามนุษย์เรานั้นเป็นทรัพยากรของโลก คนใดก็ตามที่เกิดขึ้นมาแล้วสร้างสารรค์พัฒนาโลกรายคนนั้นถือว่าเป็นอาวุธพิชิตตระบุของโลกเพราะว่ามนุษย์คือประชากรโลกยิง่งยิ่งสมัยนี้ยิ่งสมัยโลกลายพรมแดนแล้วก็อเห็ น, นา่าชัดเจนว่าเป็นประชากรของโลกการกระทําดีกระทำมาก็มีการสร้างสารรค์พัฒนาแล้วผลตรงนั้นก็กระจายไปได้ทั่วโลกแลการตัดสู้เป็นเรื่องของ ปัจจุบันเขาเรียกวิสัยทัศนะ์นะะโลกทัศน์วิสัยทัศน์ทัศนคติเป็นการมองโลกอย่างรู้เท่าทันตามความจริงเราจะเห็นว่าสิ่งที่ทรงมองทุกลำดับขั้นตอนทุกตอนนะนะแล้วมามองตรงนี้เราถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะเป็นแบบจำลองชีวิตเป็นลีลาชีวิตที่เราสามารถยึดถือ ประพฤติปฏิบัติตามได้ทุกขั้นตอนเป็นธรรมะที่เป็นรูปธรรมหมายความว่าการเคลื่อนไหวของเจ้าชาจิตรันั้นที่จริงก็คือการสะท้อนธรรมที่ออกมาเป็นพฤติกรรมทั้งหลายเป็นความดีงามที่ถาวรแล้วก็มั่นคงไม่ถูกโยกย้อนหวันไหวด้วยอารมณ์ เรานองรมองดูพระท่านอยู่ท่ามกลางอารมณ์ที่ยุย่ยยวนด้วยวิธีการต่างคือปรุงแต่งคัดสรรกันขึ้นมาแต่ท่านก็ไม่ออนไหวกับอารมณมตรงนั้นอารมณ์บางครั้งมีลักษณะพลาทายให้เกิดการต่อสู้ประหัรประหารกันเยี่ยงสัตว์โลกท่านก็ไม่เอาด้วยอารมณ์บางอย่างชวนให้แข่งขันแข่งดีสากลมองเป็นเพื่อนร่วมโรค มองเพื่อนร่วมโลกแล้วก็มองอยู่ในสภาวะที่เสมอกันไม่ได้มองแบ่งแยกเป็นกษัตริย์เป็นธรรมเป็นแพทย์เป็นสูตรท่านไม่มองไม่มองในลักษณะนั้นแต่ท่านมองว่าทุกชีวิตนั้นก็อยู่ในกระบวนการของเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะฮะเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันก็ไม่มีอะไรเห็นไหมพื้นฐานการมองตรงนี้ก็นํามาสอนในตอนหลังสอนมองชีวิตว่าเป็นเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเหมื็นการมองนำกฎประจัยหลัก มองตามกฎของของพระใจรักตามสภาวะที่ท่านเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายานะนันแนวตรงนี้ท่านทั้งหลายเห็นว่ามันอยู่ที่การพยายามพัฒนาความคิดทื่หาประโยชน์จากทุกเรื่องที่เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ยึดติดอยู่ในสิ่งที่ตนประพฤติปฏิบัติเปิดใจกว้างนะฮะพระทัยกว้างพร้อมที่จะเข้าไปศึกษาทดสอบทฤษฎีเจ้าลัชิคนาจาร์ทั้งหลาย เราไปศึกษาในมหาศรานาเตศุยยังนึกสงสารพระพุทธเจ้าไหวรอดมาได้ยังไงคือหน้าน่าจะสิ้นระชนเ่นะฮะทำอะไรไปน่ากลัวเลเกันทดลองหมดทำหมดเพื่อให้ได้หลักธรรมที่ถูกต้องมาสั่งสอนโลกกลารกระทำอย่างนั้นก็เป็นเป็นส่วนดีอย่างหนึ่งนะฮะส่วนดีอย่างหนึ่งที่เรียกว่าท่านลงสู่ภาคสนามท่านท่านสมบัตภาคสนามมา บางอย่างถ้าเราพูดเฉพาะทฤษฎีเนี่ยภาสนามเราไม่คุ้นเน่ยเราไม่คุ้นภาคสนามก็ทําให้เราเราเราไม่เข้าใจในแง่มุมต่างๆเหล่านั้นมากไปเราจะเห็นว่าเรื่องบางเรื่องนี้พาคเขาไม่เคียวพูดพอ่ะเพราะเราไม่มีภาคสนามเราไม่ค่อยรอบรู้เรื่องเรื่องเหล่านั้นก็ปล่อยโยมพูดกันเองครับโยมพูดกันเองเขาว่ากันเองอะไรที่เราคุ้นในภาสนามเราก็พูดเฉพาะตรงนั้น พวงพ่อเจ้า ท, ท่านท่านต่อมาเราเห็นว่าท่านท่านปฏิเสธวิธีการต่างๆเป็นอันมากในโลกกันนะฮะว่าไม่ใช่ทางที่จะทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์จริงๆก็โดยอาศัยการทดลองสัมผัสมาด้วยพรองค์เองใครจะไปคาดคาดโรองค์ก็ก็ไม่ได้นะฮะนี่คือแนวนหลักอย่างหนึ่งว่าทำอย่างไรเราจ ะ, ป, จะปฏิเสธนิยมก็เชื่อนิยมมากเกินไปหมายความอะไรก็ปฏิเสธเขาหมดเลยนะ จริงๆแล้วสิ่งทั้งหลายเขามีสาระถะของเขามันไม่ใช่ว่าถ้าเราทําไม่ได้เราไม่เป็นเราไม่รู้แล้วจะปฏิเสธเขาหมดอย่างแนวเวลานี้นะฮะที่จะชอบพูดปฏิเสธพระเครื่องปฏิเสธนั้นอันนี้มั น, ม, นมันไม่จริงหรอกนะฮะพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธเราไปอ้างมาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ปฏิเสธนะฮะพระพุทธเจ้าบอกว่าเนตังโขสนันนคีมังเนตังสนะมุตตมงเนตังสนะมากับมาสัพพุทุขาปพาปมุจติ นั่นไม่ใช่ชนะอันกเกษมนั่นไม่ใช่ชนะอันนูดมพูดถึงสิ่งเหล่านี้เป็นชนะแล้วไม่สามารถจะหลุดหลุพ้นจากทุกทั้งปวงนะใช่คำว่าทั้งปวงนะไอ้ทุกระดับต่างๆไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธต้นไม้มันก็พึ่งได้นะหมาไล่กัดวิ่งหนีต้นไม้อย่างไดก้ก็พึ่งได้อยู่แล้วอนะก็เห็นอยู่แล้วว่ามันมั น, ม, นมันพึ่งได้มันไม่จะพึ่งไม่ได้โดยประการทั้งปวงนั่นคือคือคือการมองโลกที่ชัดเจน แล้วไม่ไปยึดติไม่ใช่ว่าฉันเท่านั้นถูกต้องก็ดือ้อไม่ถูกต้องไม่ใช่อย่างนั้นแต่มองแต่มองภาพที่ชัดเจนแล้วก็ปฏิเสธในจุดสูงสุดไม่ใช่ปฏิเสธทุกจุดดังนั้นเราเราจึงพบว่าความเพียรพยานที่เป็นเหตุเหตุใด้สัสรู้คือการดํารงชีวิตอย่างมีปัญญาหาผลประโยชน์จากทุกเรื่องที่สัมผัสแลอุปรกรณ์การเรียนทั้งหลายการวิเคราะห์ตรวจสอบทั้งหลายนั้นไม่ได้ แต่ไปมองที่คนอื่นอาจจะมองที่คนอื่นปั๊บแต่น้องเข้ามาหาตัวเองนี่คือประเด็นประเด็นว่าน้อมเข้ามาหาตัวเองที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอย่าไปใส่ใจเรื่องราวถ้อยคําที่ปรัจาะยังอายร้ายเหตุผลหรือสิ่งที่ทําแล้วหรือยังไม่ได้ทําของคนอื่นความดีความชั่วของบุคคลอื่นจะมาดูที่สิ่งที่ทําแล้วหรือยังไม่ได้ทําของตัวเองถ้าดูตรงนั้นก็ดูเพื่อเป็นบทเรียน มันไม่ใช่ดูเพื่อไปด่าเมื่อไปด่าเพื่อไปริษยาให้เราสังเกตนะฮะสังคมที่เกิดสับสนยานาเคยเคยบอกไว้ว่ า, วามันมันพื้นฐานอันตรายคือตัวริษยากตัววิหิงสาชอบซ้ําเติมชอบเบีย ด, ด, ดเบียนชอบเบียดเบียนมือนเหมือนกับมือกับหม า, ม เ, หมาเวลาเพื่อนเพื่อนวิ่งหนีจนไล่กันเป็นฝูงนะฮะนั่นคือธรรมชาติพอเพื่อนหันหน้าเข้าสู้ จักไม่จักไม่สู้จักไม่แน่จริงตอ่อเลยยืดแงงๆงงอยูไงไง่นั้นนั้นนันก็คือคือลักษณะของของสัตว์โลกที่ชอบเบียดเบียนก็แสดงความยิ่งใหญ่อาหาังการงตัวเองโดยไม่คำนึงถึงความเป็ดร้อนขอ ง, ของคนอื่นเพราะคนอื่นได้ดีได้ดีดไปริษยาเขานะต้องค้นต้องทำลายต้องล้างฝานออกมาเขาได้ดีเราไม่ได้ดีเราน่าจะทาดีตามเขา เรากลับไม่ได้ดีแล้วก็ไปเพิ่มชั่วเขาทาชั่วนะฮะแทนที่เราจะถือเป็นบทเรียนในการงดเวนเราไปด่าเขาไปด่าคนทำชั่วต้องขอโดยสารทำชั่วด้วยแล้วกันไอ้มันเรื่องอะไรอะเออเรื่องอะไรนี่นี่คือจุดอันตรายที่ว่าชาวผู้เราสับสนต ร, ตรงนี้มากมายความวัาไงมายความตัวริษยากับตัววิหิงสานั้นมันมั น, ม, นมันแรงมันมีอิทธิพลในภายในใจแรง ขอโดยสารทำบาปกับเพื่อนเรื่อยๆเราก็ทำดีเอาไว้เกิดริษยานะแทนที่จ ะ, สะแสดงความชื่นชมสนับสนุนกิจกรรมที่ดีงามนะฮะเราจะเห็นว่าดีๆเราต้องมุติตานะคนทำดีมุติตาคนทำชั่วอุเบกขานี่เราเร า, เราไม่ได้ใช้ตะขอนึงไม่ได้ใช้ตะขอนึงก็เลยไปไปไปใช้พิหิงสาก็ไปใช้ใชิษยามันก็กลายเป็นปนัญหาแต่พระพุทธเจ้าท่านใช้ ท่านใช้ในฐานะทั้งหมดนั้นเป็นครูแล้วก็หยิบทุกอย่างมาเป็นครูท่อนไม้ก็เป็นครูเพราะก่อนการการจัดสรู้ที่มีอยู่สองช่วงตอนสมาธิตอนสมาธิพระเจ้าเรียนจากอะไรเรียนจากสายพินเดินให้เรียนจากสายพินใจไม่สงบใจไม่สงบใจมันฟุง้งทํำอะไรอ๋อมันมันเหมือนกับสายพิน ทุกกิริยานั้นเหมือนผินที่ตึงเกินไปคืนต่อไปก็ขาดแต่อีตอนอยู่ในวังนั้นหย่อนเกินไปอยู่หยอดเกินไปเหมือนกันก็ดีดมันก็ไม่มีเสียงเพราะงั้นทํายังไงจึงหาจุดกลางแล้วในทสุดก็มองแบบสายพินสายผินสายกลางคือไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปนั่นคือตอนสมถะนะครตอนที่จะขยับทิงท้ง อ, อ, อ, อัตตกิลมัฏฐานโยคมาสู่มัชฌิมาปฏิ ป, ปาทานกับทางสายกลาง ทีนี้พอเริ่มจเจริญปัสส ร, รมะมันเกิดเป็นหามจิตมันไม่ขยับจิตไม่ขยับจิตมันไปเกาะไปเกาะ ไ, ไปยึดแนวสมถะเราเห็นว่าสมถะจิตมันจะยึดมันจะติดติดสงบติดสุขติดนิ่งติดอยู่นั่นแหละนั่งตรงไหนก็นั่งอยู่ตรงนั้นดูทีไปโดยใดก็ติดอยู่ที่นิ่งดูทีเด็ดเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็มามองว่าทําไมจิตยังไม่ไปบอกว่าไอ้ส่วนส่วนโทษของกิเลสมันยังเห็นไม่ชัดคุณของธรรมะเองมันยังเห็นไม่ชัด เนัจิตอย่างนี้มันมันเขาเรียกว่ากรรมมันไม่เป็นกรร ม, มันยาคือใช้งานอย่างไม่ได้มันจะเหมือนกับก็เรียนจะทอนไม้สามท่อนท่อนไม้ก็วางแต่แต่นั้นนั่งคิดจะทอนไม้ทอนไม้ก็วางแล้วนะมองมองพ อ, งอมัก็คิดจะท่อนไม้เอาเพราะเหมือนกับท่อนไม้สดที่ชุ่มอยู่ด้วยยางไม้สดสดแล้วก็มียางแล้วก็แช่น้ําเนี่ยเราจะเอามาเปียกทั้งสองเปียกเปียกน้ํากับเปียกยางไมาอย่างนี้เอามาสีให้เกิดไฟขึ้นมาไม่ได้ ต่างเฟอร์นิเจ อ, อะไรก็ไม่ได้นะเพราะาจิตใจของใครก็ตามที่แม้กายมันจะออกไปจากกรรมแล้วจากพู้วัตถุกรรมแล้วนะเดชจใจ ย, ยังคิดถึงกิเลสกาด้วยอํานาจของกิเลสกรรมอยู่ใช้ความเพียดบัน ย, ยังไงก็สงบไม่ได้เพราะว่าสมาธินั้นต้องสงบที่ตัวการมมันฉัก่อนเหอเมนสมาธิต้องสงบการมมันฉันทีนี้เมื่อสมาธิไม่เกิดการมมันฉันก็ไม่สงบกรมฉันไม่สงบจิตมันก็วิ่งก็วิ่งไปโน้นไปนี้ก็วุ่นไป ก็มาดูพระองค์ว่าเป็นประเทศไหนพระองค์ไม่ได้เป็นประเภทไหนพระองค์ได้ออกมาจากปรตุกามแล้วนะแล้วก็ไม่ได้ค่อยเหนียวนึกถึงกิเลส ก, กาลมากนักเพราะมันจะอยู่ในประเภทไม้ที่สองเหมือนไม้สุดที่มีแต่ยางวางไว้บนบกหมายความจริงๆมันก็ไม่ได้เปียกน้ำํำแต่มันเปียกยางหมายความเปียกอยู่ข้างในในเนื้อเขามันเอง ไม่ได้ไม่ได้มีอารมณ์อะไรข้างนอกมันมีปัญหาแต่มันมันมันมีปัญหาที่เปียกข้างในเพราะาม้อย่างนี้มันก็เสีเกิดไฟไม่ได้เหมือนกันก็ทรงคิดว่าสมณ พ, าาพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่งที่มีกายออกจากกามแล้วแต่ว่าใจยังพัวพันหมกมุ่นอยู่ในกาสมสมณพร า, าพหมณ์แบบนั้นช้ความเปลียนพยญญาหนอยหน่อยก็ไม่สามารถบรรลุมรรคได้มันก็ดูที่พระองค์ว่าเราดูไม่ชักจะอยู่ตรงเนี้ยนะชากจะอยู่ตรงนี้ยังไม่จางไปขายไปเลยแต่จริงมันก็ดูถึงไม้สดอีกทอหนึ่งไม้สด ไม้แห้งนะไม้แห้งไม้แห้งที่ไม่มียางไม่มีน้ำตัวเราไม่เปียกทั้งสองเปียกก็อยู่ตึงไหนก็อยู่ใกล้น้ำนะแต่ไม่เปียกน้ำเป็นเป็นเป็นไม้โดยธรรมชาติแต่มันมันมันถูกความร้อนเผาแบบก็กลายเป็นไม้ที่แห้งไปแล้วเป็นไม้ที่เรียกว่ากรรมนิยมใช้งานได้ก็วาสีก็ให้เกิดไฟกิมาได้ในสุดก็มองว่าพระองค์ก็ต้องปรับตีไปอยู่ในจุดนี้ จุดที่เหมือนกับไม้แห้งที่ปราศจากยางแล้วก็วางไว้บนบกต้องยกจิตหนีอารมณ์ให้ได้และในสุดก็บำเพ็ญเพียรบรรลุตัสรุปเป็นพระพุทธเจ้าเพราะสิ่งที่เป็นครูสอนอุปกรณ์ในการศึกษาก็เป็นเรื่องการทรรม้ใช้แต่ว่าการใช้ความเพียรพยายามนั้นเป็นความเพียรพยายามที่จะผเดศึกอย่างแรงกัต่อสู้กิเลสชนิดชนิดหนักมากๆ ก, กันะเพราะเป็นการ ใช้ความเพียรจะเรียกว่ายอมตายในเลือดเนื้อของเราจะเหือดแห้งไปยังเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกกระดามถ้าไม่สัตวรูแล้วก็จะไม่ยอมลุกขึ้นจากอัศนะในสุดโปรองค์ก็ได้สัตวรู้ทีนี้สิ่งที่สัตว์รูนั้นที่จริงก็คือกฎของธรรมชาติเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเรามองธรรมะยิ่งศึกษาไปใจบิดกไปมากๆนะเราจะเห็นว่าธรรมะมีน้อยนะมันจะมีมากยิ่งเรียนมากๆจะรู้สึ ก, กว่าน้อยนะฮะยิ่งเรียนน้อยๆมัรู้สึ ก, กว่ามาก ก็เราจะเห็นว่าธรรมะที่จริงมันมันมันมันเป็นเป็นมรรคสามังคีตัวจากมากเข้าสู่ความเป็นหนึบจากมากเข้าสู่ความเป็นหนึบเราพูดถึงทุกสมุทัยนิโรธมาแต่ท่านหลายหล่อนสังเกตที่จริงเนี่ยมันขยับปั๊บมันขยับหมดเลยมันเป็นทั้งทุกเป็นทั้งสมุทัยเป็นนิโรธเป็นนรรมะสมมุติว่าท่านพิจารณาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาลงพ้ความแก่ไปได้เนี่ยตัวนี้เป็นมรรคนะฮะเป็นสมมาสังกปะ เป็นสมาธิิพอเราเห็นจริงตรงนั้นแล้วเนี่ยไอ้ความยึดมั่นถือมั่นมันลดกิเลสมันลดความทุกข์มันก็ลดตามไปความสุขมันก็เพิ่มขึ้นฟังสูตรตรงนี้มจึงเหมือนกับการกินอาหารการกินยาที่ยกตัวอย่างว่ามันก็เทือนไปหมดกระเทือนไปหมดเลยเพียงแต่ว่าเราจะจะเริ่มจากตรงไหนล่ะเหมือนกับเข้าประตูเมืองเดียวกันนะฮะประตูบ้านเดียวกันแต่มี4ี่ทางเข้าทางไหนก็ได้เข้าทางไหนก็ได้ก็คือบ้านหลังนั้นเอง นั่นคืออริยสัจสี 4. มันเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์จริงเป็นสมุทัยก็เป็นสมุทัยจริงเป็นนิโรธก็เป็นนิโรธจริงเป็นมรรคก็เป็นมรรคจริงเป็นการรู้โดยดับเหตุแห่งทุกข์แล้วก็สาเหตเุตัวความทุกข์ได้เพราะงั้นพระพุทธเจ้าหลังจากแต่สรุปมันก็มีแต่สุขมีแต่สุขมีแต่สงบมีแต่เย็นโดยเจ็นว่าคนเดือดร้อนคนด่าว่าคนประทุษร้ายอะไรสารพัดอะสารพัดเนี่ยนะ ยังนึกยังนึกว่าจะออพูดถึงว่าชีวิตพระจนภัยของพระทเจ้านะดึงเฉพาะตัวที่เจอปัญหาต่างๆกันมาสร้างสักเรื่องหนึ่งนะมาเขียนกันสักเรื่อ ง, งรุกรวบรวมไว้ว่าพระจนภัรเนี่ยพระจนไัยเรื่องอะไรมาบ้างตั้งแต่ประสูติมาจนถึงจนถึงนิพพานโอ้โหมันได้เล่มละเล่มเลยนะได้เล่มบะเล่มเลยใจเยอะเยอะมากมากนะฮะ คนสิ่งต่างๆที่เป็นที่เป็นภัยแต่มันเป็นของมันเท่านั้นเองมันไม่ได้กระทบประไทยของเราพุทธเจา้านั่นก็คือเรื่องการศึกษาก็คือเรื่องความเปี่ยนพยาในทางที่ดีเราเห็นว่าการประสูบการศึกษาก็คือการการเกิดมาดีกับการทําหน้าที่ดีการทําการงานดีเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นชีวิตที่พัฒนาจากเงื่อนไขสองเงื่อนไขเงื่อนไขอดีตคือบา ร, รมีธรรมกับเงื่อนไขปัจจุบัน คือใช้บารมีให้เป็นประโยชน์ในปัจจุบันเพราะหลังจากตัดสรู้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าประชนมนชีพของพระพุทธเจ้าเป็นประชนลมนชีพที่มากด้วยกรุณาในสรรพสัตว์ทุกช้าตัวดูสัตว์โลกปัจจุเสวะกะเตกาเลพระพาประเพวิโล ก, กนั้นตรวจดูสัตว์โลกแล้วก็จะเสด็จไปโปรดไปเทศโปรดไปสั่งสอนประชาชนในท่อนทิ้งเหล่านั้น เป็นการใช้ชีวิตที่ทีท่ท่านลองนึกดูลองลองภาพดูเราอย่าคิดปัจจุบันคิดปัจจุบันมันก็ดูยากนะฮะคือพระเราเป็นเป็นชีวิตที่ค่อนข้างเสี่ยงอย่างแรงมากๆถ้าสมัยนั้นเนี่ยนะเราดูถ้าสมัยนั้นเน่นนยนนนบวชปั๊บเนี่ยที่วนจะเอาที่ไหนยังหาไม่ได้บางทีไปจะเก็บเศษผ้าอะไรแต่อะไรก็มาปูกมาป่มามันเย็บม า, บมาแล้วจะนอนที่ไหนบวชแหละไม่รู้จะกินที่ไหนไม่รู้พรงนี้ไปบินตบาตเอา ไม่รู้นอนที่ไหนกินที่ไหนขับถ่ายที่ไหนอาบน้ําที่ไหนนี่ไม่รู้หมดเลยแล้วก็ปล่อยตัวลงไปคือทุ่มตัวลงไปอยู่ตรงนั้นก็แสดงว่าก็เสี่ยงไม่เบาอ่ะนะบางทีท่านท่านไปกันเป็นกระบวนเนี่ยอ้ยจะมีอาหารพอเลี้ยงกันหรือเปล่าจะบินถ้าบ่าได้ยังไงในคนก็จะตักบาทหรือเปล่าเพราะไบินธ้าบ่าบางทีก็ได้แต่ล ม, มนะนะลม ก, ก, ก็ก็ต้องอดเอา นั่นก็คือชีวิตที่อยู่เพื่อคนอื่นเป็นการทำงานในสี่เรื่องใหญ่สามเรื่องใหญ่ๆนะเราเห็นว่าในฐานะที่เป็นราชสกุลพรธเจ้าทร้งวางพระงเป็นแบบของลูกกัตัญญูเป็นอภิชาติบุตรของครอบครัวสักยะราชกุลสักยะและโกติยะการเสด็จไปโปรดคนทั่วๆไปนั้นจะจะมีลักษณะเป็นสนามสี่ลักษณะนะ ลักษณะคนทั่วไปในใช้คำกลากลางๆกลางกลก uk, ไม่ได้เรียกอุบาสกาไม่ได้เรียกอุบาสิกาไม่เรียกชื่อไม่เรียกชื่อจะจะจ ะ, จะเรียกคำกลางกลางแค่สรพนามแค้สรปนามเป็นหลักถ้าท่านเหล่านั้นเข้ามาบวชจะเรียกภิกษุภิกษุณีทีนี้ถ้าหากว่าท่านเหล่านั้น เป็นคนที่ ท, ที่ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแล้วจะเรียกชื่อจะเรียกชื่อตรงๆถ้าถ้าเป็นพระญาติบุคคลจะเรียกอานล์บุตรลูกเราสาริบุตรลูกเราจะจะจงั้นหนึ่งงั้นเลยนะจะแสดงถึงความความคุ้นเคยความชื่นชมแล้วมันเป็นกระตุ้นคนอื่นให้ได้ให้ได้ต้องการชื่ออย่างนั้นเลยแต่พอถึงพระญาตินนะฮะพระญาตินี่จะเข้าแรงหมายความว่าพระญาติทะเลาะ ก, กันเนี่ยสเสด็จ ขัดแย้งกันท่านเสด็จเลยเจ็บค่าได้ป่วยไปเยี่ยมเลยก็คือก็คือครอบครัวคือคือคือลูกหลานของตะกุนทําหน้าที่ของลูกหลานตะกุลเป็นแบบเพราะงั้นสิ่งที่รู้เจ้าสอนทั้งหมดคือคือสิ่งที่พระเจ้าทํามาแล้วทำมาแล้วหน้าที่ของลูกหน้าที่ของอะไรที่ทรงสอนไว้ในที่ถกนะเป็นหน้าที่ที่ทรงทําเป็นตัวอย่างตลอดงาน อะไรล่ะเจ็บไข้ไม่ได้ตัวของผู้เจ้าสูตตรนะณะก็ส่งไปโรงพยาบาลเองพระดาวขุนพระนนก็บวดแล้วนะะตอนนั้นแต่ผู้เจ้าไปเป็กไปพยาบาลเองเลพ่อเป็นกราวานนะฮะพ่อเป็นกราวานแต่ว่าท่านเป็นพรัฐศาสตราทั้งโรงพยาบาลพยาบาลเป็นลูกพยาบาลพ่อเลยดังนั้นการณีวิพาษทอะไรต่างๆของพญาติความขัดแย้งต่างๆ ผ, ผู้เจ้าไปแก้ห้รัฐสภาเองเนี้รัฐสภาเนี่ย ผู้ถึงรัฐสภาสอนลักษณะรัฐสภาก็สอนพวกประญาติสอนประญาติของประองค์หาเรื่องสอนด้วยนะหาเรื่องสอนด้วยเขาไม่นิมนต์เดินไปเลยเดินก็กำลังประชุมแกล้งเดินนะแกล้งเดินตัดตัดหน้าตัดหน้าที่พักเพื่อให้เขาหาเรื่องพูดพระองค์ก่อนให้เขาว่าเออสมณะโคดมไม่รู้เรื่องไงไม่รู้สภาไม่รู้จักสภาพุญแจก็แสดงสภาฝังที่เขามาจารยกว่าที่หน้ารัฐสภานะ ในสภายถาณสันติสันโตนะฮะสภาใดไม่มีสักุลสภานั้นไม่ชื่อว่าสภาที่ก็เขียนใจฤกษกไวท้ทีหน้ารัฐสภาเป็นหลักเป็นหลักที่ทรงวางไว้แล้วก็โปรดช่วยเหลือพระญาตอย่างน้อยที่สุดพระญาตของพระพุทธเจ้าเนี่ยรักษาศีลห้าไม่ธรรมดานะฮะรักษาศีลห้าได้เนี่ยก็าถือว่าเก่งมากแล้วแล้วก็เป็นพระยบุคคลเยอะออกบวชเยอะออกบวชมากจนราชกุลอ่อนแอ ราชกุมารออกบททีงห้าร้อยนี่ก็เถื่อนมากนะราชวงศ์ออกบทีงห้าร้อยนี่ก็เถื่อนแรงมากเลยเพราะมันมันทําให้ขาดคนเรยจะเห็นว่ายุคยุคหลังในราชวงศ์ทั้งสองใ่ขาดคนเพราะว่าบวชกันมา ก, กเกินทั้งผู้หญิงผู้ชายนี่แห่กันไปบวชหมดก็เปลี่ยนราชวงศ์ในสี่สิบห้ปีเปลี่ยนกษัตรติย์ทั้งสองสามองค์เลยนะแต่ว่าในแง่ของโลกุตตรธรรมแล้วนี่ได้คน คนเราก็ได้อย่างกัเสียอย่างไงนะฮะตั้งมการโลกุตตรธรรมก็ต้องจริงโลกียธรรมก็ในฐานะที่เป็นประชากรโลกพระเจ้าเองกพระองค์ก็เป็นประชากรโลกแล้วก็ไม่ได้คิดทางไกลจากประชาชนไม่ได้คิดในฐานะเป็นเป็นผู้สร้างอะไรเป็นผู้สร้างเป็นเจ้าชีวิตของคนที่คนจะต้องพักดีมอบหมายจงรับพักดีร ไอ้ยังเราเราพูดเองทั้งนั้นเนี่ยนะฮะไอยนัตติเมสนางอันยังที่พึ่งอย่างอื่นก็เข้าไปเจ้าไม่มีพุทโธเมสนางวารางังมาพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐข็เข้าไปเจ้าไอเนตนะสัจเจวเจนะโสตติเมหโหนุสัพพทาอะไรแต่ละนี้เราว่าเองไงนะครูเจ้าไม่ได้สอนให้ว่าหรอกครูเจ้าไม่เน้นที่มาให้ความสําคัญปนเ ป, ปืออะไรพระองค์ไม่ได้สอนให้ว่าเราว่ามาเราเองนะว่ากันเองแต่นั้นแหละคนรูนหลังเขียนขึ้นทั้งนั้นนี่ยนะแต่ว่าด้วยความทราบซึ้งแรงบันดาลใจศรัทธาเลื่อมใส ในลักษณะมอบกายถวายชีวิตอย่างที่เราทําวัดเย็นที่สวดสาหัสสากันนั่นนะครับข้าพเจ้าเป็นทาสพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์พระเจ้าพระธรรมพระสงค์เป็นนานข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตพร้อมทั้งศีระแด่พด ร, ะ ร, ะดดระเจ้าพระธรรมพระสงค์ที่จริงพระบัติต้เด็จพระองค์พระเจ้าจะอยู่หัวท่านเรียกเปียนเอาไว้มันแนวตรงนี้ที่จริงแนวค่อนข้างไปทางพระเจ้าแนวค่อนข้างมอบตัวต่อพระผู้เป็นเจ้าอย่างศาสนาคริสต์นะของเรามันไม่มันมขนาดนั้นหรอ หุวเจ้าไม่ได้ไม่ได้สอนนะนะฮะไม่ได้สอนมาปนปลื้พระองค์อย่างนั้นแต่ว่าเราศรัทธาของเรานะฮะเราศรัทธาของเราเราอยากจะทำอะ่ะอยากจะทำแต่ก เ, เป็นการขีดเขียนขึ้นในตอนหลังนะฮะไม่ใช่ยุคสมัยพระพุทธเจ้าอะไรเป็นพลังศรัทธาแรงบันดาลใจของคนที่เห็นการทำงานคือศึกษาแล้วเกิดความซาบซึ้งว่าทรงทำงานเสด็จไป ในคำในคมชนบทราชธานีต่างๆทําประโยชน์แก่ชาวโลกเป็นอันมากท่ามกลางความขัดแย้งการต่อต้านการขัดขวางการใส่ร้ายป้ายสีสารพัดแต่นะฮะดีสมัยนี้สมัยนั้นไม่มีหนังสือพิมพ์นะฮะแต่มันจะมีหนังสือพิมพ์แล้วแย่แต่และเรื่องเนี้ยฮะมันจะแก้ต่างกันแนะนางกินจ่ามนวิกาไปโจดประทําแกท้องแก่ไสนางสุนทรีปรีพิกาถูกเอาไปฆ่าหมกไว้หลังเหมือนค น, นยุ่งจังเลยนะยุ่งจังที่ดีมันไม่มีเสือไม่มีสื่อก็ คนที่ทำตัวเป็นเป็นข้าศึกศัตรูเยอะแต่พระพุทธเจ้ามีแต่การุณามีแต่การุณาต่อคนเหล่านั้นเราจะเห็นว่าไม่มีร่องรอยการโต้ตอบจากพระพุทธศาสนาในแนวที่เป็นปัญหาต่อคนเหนั้นนะนอกจาก่าช่วยเขาเท่านั้นเองช่วยเขาเท่านั้นปกป้องดูแลคุ้มครองอย่างน้อยก็ย้ายเขาเพิ่มบาปก็ไม่นับถือก็อย่าไปเพิ่มบาปกันแล้วกัน แล้วก็ในฐานะที่เป็นพระพุทธเจ้าเราเห็นว่าพระเจ้าก็จัดองค์กรคล้ายๆกับเป็นตัวอย่างนะอุปสงค์ัจจการที่ดินเป็นกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มบุคคลตัวอย่างทรงวางเอาไว้ว่าเกณฑ์มาตรฐานเริ่มจากจุดนี้ไปอยู่จุดนี้จุดนี้ก็ถือใช้ได้แล้วอนะ่อยู่ระดับที่เรียกว่ามีศรัทธามีศีลเชื่อกรรมไม่ถือวงคนตื่นข่าว นะฮสวงสดิ์หาเกศบุญในพุทธศาสนาไม่แสวงสดิ์หาเกศบุญนอกพุทธศาสนาพอแล้วนะที่จริงก็คือว่าเป็นบาปในีเราจิตว่าอยู่ที่ศรัทธาอยู่ที่ศรัทธาเชื่อมันเพราะถ้าเราศรัทธาเราก็มีศีลเพราะศีลมันต้องอาศัยศรัทธากรรมมันก็เรื่องของศรัทธาเราลงว่ามีศรัทธาในเป็นหลักเนื่องจากอะไรเนื่องจากโอกาสที่จะเข้าศึกษาคนา้นคว้าเจาะลึกจริงๆเนี่ยมีน้อยชาวบ้านเนี่ยนะมีโอกาสน้อยเพราะนั้นก็ขอให้เชื่อมัน คอยเชื่อมั่นตรงนี้เอาไว้แต่ว่าไม่ใช่นิ่งๆปล่อยเชื่อไปเลยนะมันเชื่ออย่างยังมีกฎมีเกณฑ์ก็ระดับของสามาเณรเอาขนาดไหนเราจะเห็นว่าศีลเหมือนกันศีลเหมือนกันอย่างตอย่างง่ายๆคือศีลขออ้ออภรรมเลยนะเราจะเห็นว่าพระภิกษุณีหมดเนะี่ยสาธรมิตรทั้ห้านี่ศีลข้อเดียวกันนะฮะอภร์มาจารยาเหมือนกันแต่ถ้าอุบาสกปฏิกาขาดได้ไนมะ่ว่าอะไรต่อหมายได้ สามเณรต่อใหม่ได้เห็ okay, นไะสามเณรต่อใหม่ได้สามเรรีต่อใหม่ได้นางสิกขามานาต่อใหม่ได้ตกลงว่าอุบาสกอุบาสิกาสามเณรสามเรรีนางสิกขามานาสํ า, สาเร็ ส, เรนนสําเรรีนางสิกขามานาอย่างเด็กอย่างเด็กอายุสิบแปปีลงมาไม่ใช่สิเกปีลงมาเดี๋ยฮะสิบปีลงมาพวกนี้กนนะ็20ปีไม่เต็มลงมาเลยกันนะยี่สิปีไม่เต็มลงมาก็ถือว่าเป็นผู้เยาว์ผิดไปบ้างมไ <อ S 1> ม่เป็นไรนะอครับ ภิษุณีกับพระเท่านั้นเองนะที่เป็นประราชิกเพราะถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้ววุฒิภาวะแล้วถือรักษาศีลตรงนี้ต้นรักษาให้ได้ประสบปฏิการไม่ว่ากันนะรักษาศีลแล้วไปถึงสมาทานศีลโบสดไปตอนตอ น, ตอนเช้าพอตกตอนเย็นกันมาหิวก็มากินข้าวเย็นก็ต่อหมายก็แล้วกันก็ไม่ว่าอะไรนะไม่ว่าอะไรอันนี้ก็คือก็คื อ, คอว่าโยมรับถึงความจําเป็นในเงื่อนไขต่างๆ ไม่ใช่ว่าไม่ได้นะเธอกินข้าวเย็นและปาราชิกได้ไม่ได้ปาราชิกมีแต่พระกับพิกษุณีแต่นั้นเองคนอื่นไม่ปาราชิกนะะเรื่องเดียวกันนั่นแนหะแต่คนอื่นไม่ปาราชิกคนอื่นเพียงไปขาดศีลก็เรียกขาดศีลคือต่อได้นั่นแสดงให้เห็นว่าตามอัธยาศัยเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นกลุ่มคนกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นมาเป็นตัวอย่างของสังคมทําใหญ่ยิงจะ จ, จะเป็น ตัวอย่างได้มาความท่านเหล่านั้นก็สะท้อนทำให้คนทั้งหลายเห็นผู้เจ้าจึงกลายเป็นเป็นโลกเชิดเป็นพี่คนโตของชาวโลกอย่างใหญ่นะฮะพูดแค่พี่คนโตแต่นั้นเองโลกกันนาเป็นที่พึ่งของชาวโลกเป็นโลกกันายกเป็นผู้นําของชาวโลกก็ แ, แค่นั้นไม่ได้คิดใหญ่คิดโตอะไรก็เป็นเป็นสมาชิกในสังคมโลก เฉันชีวิตของพระวิชาจึงเป็นชีวิตที่เรียกพูดสมุนปัจจุบันมาติดดินนะฮะไอติดดินก็อยู่กับอยู่กับชาวบ้านธรรมดาธรรมดานี่แหละไมไ่ไม่ได้ไม่ได้อะไรไม่ได้ให้คนทั้งหลายมาสักการะมาสักกาะอะไรเพราะงั้นการดํารงชีวิตอยู่ของพระวจ้าจึงเป็นการดํารงอยู่เพื่อประโยชน์เพื่อกูลแก่มาชนเพื่อความสุขแก่มาชนเพื่อเป็นการอภราะต่อชาวโลกชาวโลกได้รับคุณูปการจากพระองค์ ถ้าโลกไม่มีพระพุทธเจ้าอย่าลืม ว, วิชาการทั้งหลายนั้นเอามาจากพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแหละของเราบันจดพระไวรปิฎกเผยแพร่ไปทั่วโลกตั้งแต่คศ400กว่ากว่าในไตรปิฎกเราก็จดแล้วนะฮะจดจารึกไปทั่วโลกแล้วก็มีที่ไปที่มามีการเผยแผ่กันไปในส่วนต่างๆความคิดจาก กีกจากโรมันจากกรีกจากโรมันที่มีอิทธิพลในยุโรปอเมริกาปัจจุบันที่จริงเนี่ยถ้าเราดูประวัติศาสตร์เมื่อ2องพกว่าปีมันก็มาจากโลกศาสนาพุทธศาสน า, ส า, าเข้าไปเผยแพร่อยู่ในตรมนั้นก่อนศนาคริสตก็เกิดขึ้นมาทีหลังเราเห็นมัมีอยู่เยอะนะคำสอนของศาสนา ท, ที่อยู่ในเรื่องตรงนั้นเพราะว่าสัตว์จะทำจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีอันเดียวแตันเองมีข้อเดียวแต่นั่นเองเพียงแต่ว่า ใครจะค้นพบหรือใครจะชื่นชมกัรอะไรก็เอาไปเพราะว่าจริงๆเป็นสมบัติของมนุษยชาติากุญแจนั้นไม่ใช่เป็นสมบัติของใครเป็นสมบัติของมนุษยชาติเพราะการนิพพานของพระองค์จึงเป็นการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงของโลกแต่ในขณะเดียวกันก็ได้ทิ้งธรรมะได้ทิ้งพระสัจธรรมพระธรรมวินัยไว้เป็นศาสตราแท้เราก็มารำลึกถึงนะการ มาดีการอยู่ดีการจากไปดีของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าเป็นสุกโตตนะามบทของพระพุทธคุณเราก็มาทำสักการบูชากันแต่การบูชาในรูปรูปแบบพิธีกรรมต่างๆนะฮนะก็เวียนเทียนอะไรแต่รก็ก็ทำไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยพื่อทำอยังไงจะปลุกตนตื่นตามสเสด็จพระพุทธเจ้านะโดยการเพิ่มภูนพัฒนาปัญญาขึ้นไป เพิ่มพูนความบริสุทธิ์อย่างน้อยก็ไม่กล่าวร้ายไม่ทำลายนะอย่างน้อยก็ไม่กล่าวร้ายไม่ทาลายแล้วก็เพิ่มพูนความรู้สึกที่เป็นสากลมีโล ก, กัศน์ที่กว้างขวางมองคนทั้งหลายด้วยความเมตตากรุณนาะไม่เกิดแบ่งแยกนะวันก่อนลูกศิษย์เข้าไปพูดกระคริตเดี๋ยวมาเล่าควาออมัมาเอิมคมมันกล้าพูด แกไปพูดก บ, บัดหลวงคิดนะฮะรู้สึกหรือเปล่าไปถึงแกบอกว่านี่อาตมามาเนี่ยหมาที่เนี่ยวิ่งาการะดิกหางมาล้อมเต็มไหมดแสดงว่าหมาไม่แบ่งแย ก, กว่าเป็นพูดเป็นคิดเพราะว่าถ้าคุณแบ่งแยกสแสดงว่าคุณแยกกว่าหมาก็ใช้คาแรงแต่ว่าเออมันคมมันกล้าพูดะฮะมันกล้าพูดแต่ว่าเขาเขาก็เห็นด้วยนะฮะเพราะถือว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นคามคิดติคมดเดียวฝั่ น, นี้ก็ เป็นเทศการใิสาขาบูชาจึงนำเรื่องต่านี้มาทบทวนพิจารณากันระหวาท่านทั้งหลายสมาวันนี้เราขอยุติไว้ด้วยเวลาในทอนนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจึงมีแต่ท่านทั้งหลายโดยโชขกันทุกท่านคือ